แม้พูดตั้งพันพระพุทธภาษิตสาสหสมะปิเจวาจาอนัตถาป ะ, ะสั้นยิตาเอเกงอัถะปังเซโยยังสุดตัวอุปสัมมติแปลว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมสู้คำเดียวที่เป็นประโยชน์ไม่ได้บทเดียวที่เป็นประโยชน์ซึ่งฟังแล้วทำให้สงบได้นั้นประเสริฐกว่า อธิบายความคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ท่านเรียกว่าสัมผับปลาปะจัดเป็นวจีทุจริตอย่างหนึ่งในอันธกถาแห่งพระคาถานี้ท่านยกตัวอย่างเช่นคำพร น, นาอากาศพรนาภูเขาพร น, นาป่าไม้เป็นต้นไม่เป็นวาจาที่แสดงนิพพานที่ท่านกล่าวนี้เข้าใจว่าจะหมายเอาอย่างสูงคือเป็นทำขั้นละเอียดในพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีขึ้นไป จะไม่มีคำพูดซ้ำผับปลาปะคือคำพูดเหลวไหลโดยปกติมนุษย์ปุถุชนมักมีคำพูดเล่นกันอยู่เสมอเพื่อสนุกรื่นเริงเพื่อ ห, อ ห, หัวเราะเฮฮาการยิ้มการหัวเราะนั้นพระอริยเจ้าถือว่าเป็นกระแสของราคะคือคนที่ยังมีราคะอยู่เท่านั้นจึงยิ้มและหัวเราะส่วนพระอริยเจ้าชั้นอรหันต์หรืออนาคามีซึ่งตัดกระแสราคะได้แล้วย่อมไม่ยิ้มไม่หัวเราะอย่างคนธรรมดา เมื่อมีปิติปราโมทย์ในธรรมก็เพียงแต่แย้มในน้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ประหลาดมีความประสงค์จะให้คนถามเพื่อเล่าความก็แสดงอาการแย้มในน้อยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำเสมอเมื่อพระนลเห็นก็ทูลถามการพูดเล่นในเรื่องรายสาระหรือการสวนเสเฮ ห, หานั้นท่านรวมลงในคำพูดอันไรประโยชน์แม้พูดมากเพียงไรก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใครส่วนคาเดียวที่มีประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่า เพราะฟังแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคมในอันธกถาธรรมบทท่านระบุ ค, คำที่มีประโยชน์ไว้หลายอย่างเช่นนีกายนิสติสำรวจกายว่าไม่งามหน้าเกลียดโสโครกวิชาสามเราได้บรรลุแล้วเราได้กระทําตา ม, ตามคำสอนของพระพยยเจ้าแล้วคำที่ประกอบด้วยนิพานขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีพละและโพชฌงเป็นต้นท่านว่าคาเหล่านี้ ฟังแล้วให้เกิดความสงบกิเลสมีสงบราคะโทสะเป็นต้นจัดเป็นคําพูดอันประเสริฐกว่าแม้จะพูดเพียงเล็กน้อยที่กล่าวนี้โดยปริยายเบื้องสูงแต่เมื่อกล่าวโดยธรรมดาสามัญคําพูดที่มีประโยชน์คือคําพูดว่าทําอย่างไรดีทําอย่างไรชั่วอะไรควรเว้นอะไรควรทําควรดําเนินชีวิตอย่างไรควรทําตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างไรเป็นต้น ผู้ฟังฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมได้ท่านว่าคำพูดที่มีประโยชน์มีค่ากว่าเงินทองเพราะเหตุไรเพราะเงินทองยังมีทั้งคุณและโทษใช้ให้หมดไปได้แต่คำพูดที่มีประโยชน์มีแต่คุณส่วนเดียวยิ่งใช้ ย, ยิ่งมากยิ่งพอกพูนไม่รู้จักหมดอย่างคำพูดอันมีประโยชน์ของพระพุทธเจ้าเป็นเวลา 2,500 ปีเสรมาแล้วก็ยังเป็นประโยชน์อยู่แก่คนทุกชาติทุกภาษาทําให้คนผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกได้โดยชอบประสบความสุขอันไพ่บุญคาพูดจึงมีความสําคัญต่อชุมนุมชนเป็นอันมากคําพูดทําให้คนรักก็ได้ให้คนเกลียดก็ได้ให้เสียเงินให้ได้เงินให้คนรักกันหรือให้คนแตกกันลมใดๆก็ไม่ร้ายไม่ดีเท่าลมฝากด้วยประการฉนี้จึงควรระวังคําพูดให้เป็นไปในทางที่ดี ไม่พูดเบียดเบียนเขาให้ร้ายเขาเป็นต้นพูดแต่คาอันจักให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายเรื่องนี้พระศาสดา ท, ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคลึทรงปรารบชายฆ่าโจรคนหนึ่งคือเพชฌฆาตมีคราวแดงมีเรื่องย่อดังนี้ชายผู้นี้มีลักษณะพิเศษคือคขาวแดงและในตาเหลือกเหลือง หน้าตาทาทางบอกว่าเป็นคนดุร้ายเขาไปสมัครเป็นโจรกับหัวหน้าโจรคณะหนึ่งหัวหน้าโจรเห็นเขาแล้วรู้ว่าชายนี้กักขละนักสามารถตัดนมแม่หรือนำเลือดในลำคอของพ่อออกกินได้จึงปฏิเสธการรับเข้าโม่ชายนั้นไม่ลดละความพยายามเขาเข้าตีสนิทกับสมุนโจรนคนหนึ่ง พยายามทําทุกอย่างจนสมุนโจรพอใจพาไปหาหัวหน้าโจรอีกครั้งหนึ่งอ้อนวอนให้รับไวในคณะด้วยอ้างว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพวกตนหัวหน้าโจรขัดไม่ได้จึงรับไว้วันหนึ่งโจรคณะนั้นถูกจับพวกอํามาตะขอให้หัวหน้าโจรฆ่าลูกน้องของตนทั้งหมดถ้าทําได้จะปล่อยหัวหน้าโจรเป็นอิสระ แตุ่นหน้าโจรไม่ยอมรับรำถามโจรคน อ, นอื่นๆก็ไม่มีใครเอามาถึงในคราวแดงเขารับแล้วฆ่าโจรพวกของตนทั้งหมดคำทานายของขุนหน้าโจรไม่พลาดเลยโจรย่อมดูลักษณะของโจรออกคนสำคัญย่อมดูลักษณะของคนที่จะสืบช่วงความสำคัญจากตนออกเหมือนกันฉันนั้นทํานองเดียวกันสมณะที่ดีย่อมดูลักษณะของสมณะดีหรือเลวออก เมื่อเขาฆ่าโจรแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระต่อมาวันหนึ่งพวกอมาตยับโจรได้อีกคณะหนึ่งจำนวนร้อยจึงขอให้ชายขาวแดงฆ่าโจรคณะนั้นอีกเขาฆ่าหมดพวกชาวเมืองและคณะอมาตเห็นว่าเขาวควรแก่งานฆ่าคนประจำจึงตั้งตําแหน่งเพชฆาตให้ในายขาวแดงนั้นนายราวแดงทำอาชีพเพชฆาตอยู่ถึงห้าสิบห้าปีนานไม่น้อย เมื่อแก่ลงมากไม่สามารถฆ่าคนให้ตายด้วยการฟันครั้งเดียวได้เพราะกําลังถดถอยชาวเมืองเห็นว่าทำให้คนถูกฆ่าได้รับทุกทรมานจึงร่วมกันถอดจากตำแหน่งเิ็นเจาให้คนอื่นเข้าทําแทนเมื่อออกจากตำแหน่งแล้วเขาต้องทำกิจสี่อย่างเพื่อเป็นสิริมงคลคือหนึ่งนุ่งผ้าใหม่สองดื่มยาคูเจือน้านมที่ปรุงด้วยเนยใสใหม่สาม ระดับดอกมะลิส่ 4. ทาของหอมทั่วกายเขาขอของเหล่านี้จากประชาชนและประชาชนก็ยินยอมด้วยดีได้แะจกะแจงสิ่งทั้งปวงที่เขาต้องการเขานุ่งผ้าใหม่เตรียมจะ บ, บริโภคยาคูพระสารีบุตรโปรดนายขาวแดงขณะเดียวกันนั่นเองพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติพิจารณาว่าควรจะไปโปรดใคร ได้เห็นนายขาวแดงนั้นแล้วทราบด้วยยานว่าเมื่อท่านไปโปรดเขาเขาจากถวายอาหารแก่ท่านและจะได้สมบัติใหญ่เพราะบุญ น, นั้นนายขาวแดงพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราได้ฆ่าคนเป็นอันมากมาเป็นเวลานานถึงห้าสิบห้าปีบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีแล้วพระเถระก็มายืนอยู่เฉพาะหน้าเราควรทำบุญในวันนี้ดังนี้แล้ว ลงไปนิมนต์พระเถระให้ขึ้นเรือนและถวายยาคูลงในบาทของพระเถระราชเนยสายใหม่ลงไปแล้วและยืนพัดพระเถระอยู่ขณะดูพระเถระฉันอยู่นั้นความอยากบริโภคยาคูมีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่เขาเพราะไม่ได้บริโภคอาหารชนี้มาเป็นเวลานานพระเถระรู้วารจิตของเขาจึงขอให้เขาไปบริโภคยาคูของเขาเสีย ให้คนอื่นพัดท่านแทนแต่พระสารีบุตรบอกให้ไปพัดให้ในราวแดงนายาวแดงบริโภคจนอิ่มเต็มที่แล้วมานั่งพัดพระเถระอีกท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จแล้วทำอนโมทนาแต่ใจของในขาวแดงฟุ้งซ่านไม่อาทรงกระแสจิตไปตามทำเทศนาได้พระเทรรสังเกตเห็นจึงถามบอกว่าท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าได้ทํากรรมหยากช้ามาเป็นเวลานานข้าพเจ้าฆ่าคนมาเป็นจํานวนมากเมื่อระลึกถึงกรคำนั้นของตนแล้วก็ไม่สามารถส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาของท่านได้พระเถระคิดว่าจักรหลวงเพื่อให้เขามีใจปลอดโปร่งฟังธรรมแล้วจะได้ผลมากจึงถามว่าท่านทําเองหรือใครให้ทําเล่าพระราชาให้ข้าพเจ้าทําท่านผู้เจริญเขาตอบเมื่อเป็นเช่นนี้ อกุศลจากมีแก่ท่านได้อย่างไรเมื่อได้ฟังดังนั้นนายคราวแดงเข้าใจว่าบาปไม่มีแก่ตนจึงตั้งใจฟังธรรมจนได้มรุอนุโลมขันติภายในโสดาปติมัคเมื่อพระเถระอันโมทนาเสร็จเดินกลับเขาเดินไปส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วกลับขณะนั้นเองแม่โคนมตัวหนึ่งกุกิดเขาถึงความตายกเกิดในภพดุสิต ภิกษุทั้งหลายทรามเรื่องนั้นแล้วสนทนากันในธรรมสภาว่านายค่าวแดงตายแล้วไปเกิดที่ ใ, ใดหนอพระศาสดาเสด็จมาตรัสบอกว่าไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทูลถามว่าเขาทํากรรมอันหยาบช้ามาเป็นเวลานานจะไปเกิดในภพดุสิตได้อย่างไรพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้กระยาณมิตรผู้ยิ่งใหญ่เช่นสาลีบุตรแล้วได้ฟังธรรมแล้ว ยังอนุรมยานให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิ้นที่จึงไปเกิดในภพดุสิตพิษุทั้งหลายแม้เขาเคยฆ่าโจรมามากกว่าจริงแต่ฟังคำสุภาษิตแล้วได้อนุรมขันติไปสู่เทวโลกแล้วย่อมบันเทิงใจพิกษุทูลถามว่าบุรุษน้ำทมอคุสุลกรรมไว้มากเพียงแต่ฟังอนุโมทนากถาจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าถือเอาปริมาณแห่งคำสุภาษิตอันเราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้เพียงคำเดียวแต่เป็นวาจาอันประกอบด้วยประโยชน์ย่อมประเสริฐโดยแท้พระศาสดาได้ทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น